บ <Book> <22. S 3> ุ๊ทูยี่สิบสอง d i e การสนทนาสาม k r a t e k Pogovor t คุณสูบบุหรี่ไหมครับ Ali k a d i t e ผมเคยสูบครับ ในโค้ชแซมแต่ตอนนี้ผมไม่สูบแล้วแวนดารสไทด์เนคคดิมเวชรบกวนคุณไหมครับถ้าผมสูบบุหรี่อาลิวาสมูทิเจคดิมไม่เลยครับแน่นิคาคอเน มันไม่ได้รบกวนผมครับโทเมเนโมติคุณจะดื่มอะไรไหมครับปีไคพอปพีลีบรันดีไหมครับบีคอนยักไม่ครับผมชอบเบียมากกว่าเนรายบีบอโนพิว คุณเดินทางบ่อยไหมครับบ่อยครับส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจแต่ตอนนี้เรามาพักร้อน ร้อนอะไรอย่างนี้ชนชนใช่วันนี้ร้อนจริงๆเราไปที่ระเบียงกันเถอะพรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่ ยูทรีโบตุไคซ a บาวาคุณจะมาร่วมงานด้วยไหมครับบตปริชลทูดิวครับพวกเราได้รับเชิญด้วยยาทูดิมิสโมพอวับเบลนี